ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณกับเจ้าพระพยบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีก็มาเป็นผู้ที่พบปะพูดคุยในรายการธรรมะรับอรุณนี้อยู่เป็นประจำเราพบกันในวันนี้ก็เป็นวันอังคารในวันอังคารท่านฟังจำได้ไหม เรามีนัดหมายอะไรกันใช่แล้วเรามีนัดหมายในเรื่องของการปฏิบัตินัหนเง่งการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบคือพูดถึงการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราต้องทําอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทุกวันตลอนเรไปลาไปทํางานก็ไม่เว้นไปกินข้าวไปโรงเรียนอยู่บ้านเราปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ จะพูดเป็นสํานวนก็คือในทุกสถานในการทุกเมื่อในทุกที่ทุกเวลาเลยปฏิบัติทํามในที่นี้ก็คือนําธรรมะไปใช้งานนั่นเองไม่ได้ยากเห็นอะไรนะแค่แค่ว่าเราเดินอยู่ตามมรคมรคในที่นี้ก็เช่นว่าเราพูดดีๆกันเราไม่ด่ามไม่ว่ากันไม่คิดร้ายกันทําจิตให้สบายสบายมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วนะเขาจะด่าเราว่าเราเร า, เราก็อดทนเอา เราก็กดกลั่นเอาไว้อย่างเงี้ยชื่อว่าเราอยู่ตามมรรคละเราปฏิบัติธรรมะละปฏิบัติธรรมอย่างนี้น บ, บุคคลที่อยู่ใกล้เคียงเรารอบๆตัวเราก็มีความสบายใจด้วยในการปฏิบัติธรรมที่บอกว่าทำได้ทุกที่ตลอดเวลานั้นก็คือนำธรรมะไปใช้งานนั่นเองนำธรรมะไปใช้งานในที่ที่เราอยู่ใช้งานในสิ่งที่เราทำ อย่ถ้าเรานำธรรมะไปใช้ในการเรียนเราตั้งใจเรียนเราไม่ทําจิตเราให้ฟุ้งซ่านไปตามความคิดไปในทางเล่นเกมหรือทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยการเรียนของเราออกมาก็ดีแธรรมะนี้ก็ยังจะช่วยให้ผู้ที่เรียนผู้ที่สอนต่างๆนี่มีความสําเร็จมีความได้ตามที่ตัวเองประสงค์ด้วย ทีนี้ในวรรณการที่พูดถึงว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนั้นหมายถึงยังไงคือว่าอย่างที่เราเคยเห็นห ล, หลายๆคนก็ไปวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมมาแรงต่างเนี่ยอันนี้คือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแตนะ่ทําให้หลายๆคนไปคิดว่าเออการปฏิบัติธรรมะนี้นะสําหรับเฉพาะอยู่ที่วัดนะทําที่บ้านไม่ได้นะหรือว่าจํากัดอยู่เฉพาะถ้านั่งเท่านั้นหนะลับตาด้วยนะเดินไม่ได้ทํางานอยู่ไม่ได้ การปฏิบัติธรรมเป็นคนเรื่องกับการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เ ง, งีนะ้ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าชีวิตใครสักค น, นคนหนึ่งเนี่ยไม่มีธรรมะเอาชีวิตนันแย่เลยเดีนะ๋ยเราเห็นได้ห ล, ลายๆครอบครัวนะมีเงินมากก็จริงแต่แต่ว่าไม่มีธรรมะไม่มีการเ อ, อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ไม่มีการแบ่งปันครอบครัวก็ไม่เป็นความสุขไม่มีความสุขแต่ครอบครัวไหนนะมีฐานะพอประมาณจะรวยก็ได้จะจนก็ได้ไม่เบียไร แ ต, แต่ถ้ามีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีเมตตากรุณามีความอดทนกันบางทีมันปี๊ดปั๊ดเปล่งปั่งขึ้นมาก็อดทนกันไหวได้หน่ครอบครัวนั้นสังคมนั้นก็มีความสุขได้เขาจะไปวัดไม่ไปวัดเปนคนลเรื่องอ่ะหนาไปก็ดีหนาไม่ไปแต่ถ้าผมว่าตัวเองเป็นคนอย่างนี้โอ้โหยิ่งดีกว่าคนที่ไปแล้วกลับมาด่าว่ากันด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นในวันอังคารอย่างนี้เนี่ยเราจรึงต้องการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองฝึกชนิดที่เป็นรูปแบบถับัง บางทีเราไม่ได้มีโอกาสไปวัดไปวาไม่ไดมีโอกาสไปพบครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเราจะนั่งสมาธิเราจะนั่งทําอย่างไรเราก็จึงใช้เนื้อที่ในบันังคานของรายการธรรมารุณเนี่ยมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ก็ถ้าผู้ฟังสามารถทําได้ก็นั่งปฏิบัติไปด้วยกันเลยแต่ด้วยการนั่งคู่ขาเข้ามาดูรอบนั่งคู้ขานี้นะผู้เรียนก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงว่าต้องคู่ยังไงเอาคู่ข้างนอกหรือคู่ข้างใน คือบางคนนั่งแบกออกไปข้างนอกเป็นลักษณะนั่งผับเพียบหรือว่าบางคนจะนั่งคู่เข้ามาข้างในเป็นลักษณ ะ, ษณะนั่งขัดสมาธิก็ได้ทั้งนั้นนั่งขัดสมาธินี่หมันก็มีอย่างน้อย4แบบและคือถ้าเราเอาเข่ามาทับข า, <us> ขาเข่ามาทับเท้าคือเอาเข่าขวาทับเท้าซ้ายเอาเข่าซ้ายทับเท้าขวาอย่างเงี้ยก็คือนั่งเขาเรียกว่านั่งขัดสมาธิตามดาใช่ไหมแต่ถ้าในลักษณะที่ว่าเอาเข่าขวาทับเท้าซ้ายเอาเท้าขวาทับเข่าซ้ายด้วย ก็คือลักษณะว่าเอาขาขวาทับขาซ้ายทั้งหมดเลยหรือบางคนนั่งสนิดทิว่าไม่เอาเข่าทับขาละขนานกันไปนัคือแบบๆออกไปนขนานกันไปคือเอาเข่าและขานี่ทั้งสองข้างขนานกันออกไปไม่ได้ทับซึ่งกันละกันหรือบางคนก็เอาเท้าทับเข่านัคือเอาเท้าขวาทับเข่าซ้ายเอาเท้าซ้ายทับเข่าขวาเป็นลักษณะของนั่งการสมาธิได้ยังน้อย4แบบละจะคู่ยังไงก็ได้ตามสบาย ตามที่เราสะดวกทำให้จุดประสงค์เนี่ยก็คือให้พอที่จะตั้งตัวได้ตรงอยู่บ้างแต่ถ้าเราพอที่จะตั้งตัวได้ตรงอยู่บ้างเนี่ยก็คือไม่ให้มันล้มเซงกเงียองนเงีย น, นั่นเองพอตั้งกู้ขาเข้ามาโดยรอบแล้วเนี่ยก็ตั้งกายตรงแล้วทีนี้ตั้งกายตรงทีหมายความว่าไงควาว่าตรงเนี่ย ม, มีมีรายละเอียดอยู่นะตรงก็คือว่าคอตรงหลังตรง คำว่าคอตรงหลังตรงในที่นี้เนี่ยก็คือหมายความว่ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยเป็นแนวตรงกันไปแนวตรงกันไปยังไงคือถ้าเราทํามุมเอียงไปข้างหน้าตัวเรามากคือน้มแบปข้าหน้ามากเนี่ยน้ำหนักของเราก็จะไม่ได้ตกลงบนกระดูกเชิงกรานแต่น้ําหนักของตัวด้านบนตั้งแต่เอวขึ้นมาเนี่ยตัวหัวตัวคอไหลแกนทั้งหมดเนี่ยก็จ ะ, ะมีนักกล้ามเนื้อเป็นตัวรับน้ําหนักต้องคอยดึงรั้งเอาไว้ เราก็จะปวดหลังหรือว่าถ้าเรายืดตัวขึ้นมามากเกินไปจนกระทั่งให้จนกระทั่งให้ลักษณะว่าเหมือนเอ็นไปข้างหลังหรือว่ากล้ามเนื้อมีการยืดตัวมากเกินไปเราก็จะปวดไหล่ลเพราะฉะนั้นเราก็ธรรมดาธรรมดายืดขึ้นไปตรงนิดนึงเราก็ผ่อนลงมานิดนึงเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยมันตกลงมาอยู่บริเวณกระดูกเชิงกรานคือให้กระดูกเชิงกรานเนี่ยเป็นตัวรับน้ําหนักช่วงบนของเราทั้งหมด อย่าให้กล้ามเนื้อเป็นตัวรับน้ําหนักกระดูกเมื่อรับน้ําหนักแล้วมันก็จะไม่ปวดนะให้กล้ามเนื้อเราผ่านา vì, อนคลายเพราะเรานั่งอย่างนี้แล้วก็จะ devotees, พบว่าหลังคอแรองต่างก็ตรงกั น, นกล้ามเนื้อไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงไหลไม่ต้องเกรงคอไม่ต้องเกรงหลังไม่ต้องเกรงขาไม่ต้องเกรงคิ้วไม่ต้องเกรงแขนไม่ต้องเกรงสิ่งใดๆทั้งสิ้นะให้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดา นะให้ผ่อนคลายไหลผ่อนคลายหน้าตาผ่อนคลายแขนขากระดูกเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้อใดๆทั้งสิ้นนะให้ผ่อนคลายให้หมดแล้วใจเราไปอยู่ที่ไหนนาะตาคุณจะเปิดไว้ก็ได้จะหลับก็ได้ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกเอาไว้จะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้นะถ้าหลับตาแล้วมันไม่เห็นอะไรที่มันมากวนใจเราก็ดีก็หลับตาไปนะแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันหลับตาไม่ได้ก็ลืมตาไว้ก็ได้ แล้วนะก็เราก็มามีสตินะมีสติที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกให้ดํารงสติเอาไว้อยู่เฉพาะหน้านะดํารงสติไว้เฉพาะหน้าหน้าบางคนนี่มันกว้างยาวเล็กไม่เท่ากันนะหน้าเนี่ยมันตรงไหนนะตอนนี้เรากำลังพูดถึงอนาปานาสตนะิอนาปานาสติก็คือการที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจหน้าในที่นี้ก็คือทางเข้าออกของลมหายใจนั่นเองนะพระพุทธเจ้าใช้คําว่าปาริมุขขัง ปริมุขขังคือทางเข้าออกในะอย่างหน้ามุกเนี่ยตามอาคารสถานที่ต่างๆแต่ถ้าเราฟังไปเห็นตามโรงแรมสถานที่ราชการโรงเรียนนะหรือหมู่บ้านบางแห่งเนี่ยเขาจะมีหน้ามุกในะทางเข้าอาคารของเขาเนี่ยอย่างตามโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยนะหน้ามุกเนี่ยโหเลื่นรู้อลังการมากเลยเสาเป็น10บสต้นจอดรถได้เป็น10บสคันในะเพื่อบ่งบอกในทางเข้านะแตนะ่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นทางเข้านะที่จะต้อง จัดแต่งอย่างดีหลับเป็นทางเข้าทางออกของอาคารแตเช่นเดียวกันตรงนี้ก็คือหน้ามุกทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นเองนะทางเข้าทางออกของลมหใจมันก็อยู่ในหน้าเรานี่แหละหน้าเราตรงไหนแล้วก็ตรงจ ม, มูกนี่แหละนะคุณไม่ได้ใช้หูหายใจใช่ไหมไม่ได้ใช้ตาหายใจนะใช้จมูกหายใจนะเพราะฉะนั้นจมูกที่มันหายใจเนี่ยจึงเป็นทางเข้าออกของลมหายใจนั่นเองก็นะคือให้เราเอาจิตไว้ตรงนั้นแนะเอาจิตไว้ตรงทางเข้าออกของลมหายใจนั่นแหละ นะทางเข้าออกของลมหายใจนี่ถ้าเราจะไปเข้าไปวัดมันก็เป็นหลายตารางมิลลิเมตรนะแล้วก็ถ้าเราดูในโพรงจมูกเนี่ยมันก็เป็นเนื้อที่เหมือนกันแตนะถามว่าแล้วมันตรงไหนกันแน่เนะี่ยพระเจ้าก็พูดถึงการดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเนี่ยนะีก็คือว่าให้เมื่อลมหายใจมันผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกของเราเนี่ยนะมันผ่านเข้าผ่านออกเนี่ ย, ม, ออยมันเป็นลมชนิดหนึ่งลมหายใจเนี่ยเพราะมันผ่านไปผ่านมาวิ่งไปวิ่งมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยมันต้องมีการกระทบกับ พื้นที่ต่างๆแต่เมือนอยังเวลาที่ลมมันพัดลมหนาวตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วเนี่ยทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยลมพัดมาเนี่ยลมเหนือพัดมาเรารู้สึกได้เลยนะมันจะเบาก็ตามจะแรงก็ตามเนี่ยเราจะรู้สึกถึงสัมผัสของลมที่ผิวหนังของเราได้เช่นเดียวกันเวลาที่ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยเราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกของเราได้แต่บางทีสัมผัสนี้มันน้อยนิดนึงบางคนขนจมูกมากหน่อยไม่รู้สึกแล้ ว, วลมบาดตรงไหน เอาลองหายใจแรงๆสัก2อาครั้งก็ได้ลองหายใจแรงๆสัก2อสครั้งแล้วเราจะรู้ถึงสัมผัสได้จริงๆแล้วยิ่งคนจมูกมากยิ่งจะรู้ได้เพราะว่าคนมันต้านทานลมเอาไว้แล้วเราจะรับรู้ถึงสัมผัสตรงนี้ได้พอเราหายใจแรงๆสัก2อสครั้งแล้วก็พอจะรับรู้ถึงจุดไหนแล้วเราก็หายใจอย่างเป็นปกติแล้วก็หายใจเป็นปกติแล้วเนี่ยก็ให้เอาจิตของเราไว้ในที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสนั่นเอง นะในตำแหน่งตรงนี้ท่านผู้ฟังเราไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่ามันเข้าไปเลือกจากปลายจมูกกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรนะหรือว่ามันทํามุมกี่องศากับตั้งจมูกหรือว่าทําเป็นรูปที่จะสังเกตนี่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมหรือตารางสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือเป็นรูปโดนัทต่างๆไม่ต้องขนาดนั้นนะแค่ทําความรู้สึกเฉยๆแต่ทําความรู้สึกว่าเอ๊ hey, มันน่าจะอยู่ตรงนี้เราก็เอาจิตไว้ตรงนีนะ้มันจะอธิบายเป็นลักษณะว่า ของใครของใครมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะนะว่ากี่ตารางมิลลิเมตรก็ไปกี่องศาอะไรต่างมันจะกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งไปคนละเรื่องไปอีกแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ลงรายดียขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารับรู้ลมาหายใจเนี่ยมาได้ที่จุดไหนมันก็เอาไว้ตรงนั้นนั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่เรามีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วออกท้องแม่เนี่ยหมอเขาคว้านคอเอาหลอดดูดปุ๊บตีก้นพุ่งออกมาก็หายใจแล้วแต่จนบัด น, นี้ยังไม่หยุดหายใจเกิน10นาทีเลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราหายใจอยู่มาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้ฝึกมาว่าหายใจเป็นแบบไหนอะไรงไงก็ไม่จําเป็นเลยเพราะตอนนี้เรากําลังฝึกจิตของเราในเรื่องที่ว่าหายใจด้วยลมสั้นลมยาวต้องอความถี่ความห่างเร็วชา้าเท่าไหร่อันนี้เราไม่ได้ฝึกเรื่องนี้แนะเรากําลังฝึกจิตของเราไม่ว่าลมหายใจของคุณเนี่ยจะเป็นลมหายใจที่เข้ารูเดียวออก2รู3รูหรือว่า เข้าสั้นออกยาวเร่งต่างไม่มีปัญหานะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือเอาจิตเอาไว้ที่จุดที่เรารับรู้ถึงลมหายใจตั้งแต่นี้นนะไม่ได้ว่าจะต้องบังคับลมหายใจแต่งลมหายใจอย่างไรแต่ลมหายใจก็ให้เป็นของเขาอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาถ้าลมหายใจเป็นของเขาอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วก็ถูกต้องแล้วทีนี้ที่เราจะต้องทําเพิ่มเข้าไปนั่นคือจิตนั่ น, น, นเองเนือย่างเราเดินไปไหนมาไหนเราไม่ได้มาเฉพาะเจาะจงว่าฉันต้องหายใจช้าหรือหายใจเร็ว เราเอากําลังกายอารมณ์หายใจมันก็แรงขึ้นเรากินข้าวเสร็จใหม่ๆหม่มหายใจมันก็ถี่ขึ้นเวลาเรานอนอยู่ลมหายใจก็แผ่วเบาลงแค่นั้นเองนั่นก็เป็นธรรมชาติของเก่าแต่สิ่งที่เราต้องมาทําตอนนี้คือเอาจิตของเราเนี่ยเอาไว้ที่ตรงทางเข้าออกลมหายใจนั่นเองเอาจิตของเราเนี่ยไวนะ้ณที่สัมผัสที่เรารับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอยู่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเดีฟังอีกครั้งหนึงนะท่านฟังลมหายใจเนี่ยมันผ่านเข้าออกอยู่เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว นะร่างกายของเราปรับสมดุลของร่างกายของเราอยู่แล้วหน้าที่ของเราตอนนี้ไม่ได้บังคับลมไม่ได้แต่งลมไม่ได้เปลี่ยนแปลงว่าลมจะต้องเข้าออกอย่างไรให้เป็นธรรมชาติของเขารวมถึงส่วนต่างๆของร่างกายด้วยส่วนอื่นๆด้วยนะคอหลังเอวไหลหน้าตาไม่ต้องเกรง่งนะให้เป็นธรรมชาติผ่อนคลายไปซะแลนะจิตของเราตอนนี้ต่าง ห, กหากแต่ที่จะไปแต่ที่จะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่กับส่วนอื่นๆของร่างกายให้ไม่อยู่ในที่จุดนี้ คือจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอยู่ในโรงจมูกนี่เองลมนิ้มก็ผ่านเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแตเราไปรับรู้ถึงลมหายใจนี้ตอนนึงเวลารับรู้ลมเนี่ยท่านผู้ฟังลมมันเ็เคลื่อนไปเคลื่อนมาใช่ไหมอย่างเวลาที่ลมมันมากระทบถูกตัวเราเนี่ยเรารับรู้ถึงลมนะที่ตัวเราแต่เราไม่ได้ตามลมไปด้วยแต่เช่นเดียวกันลมหายใจเนี่ยเราไม่ได้ตามลมเข้าไปจน ถึงคอถึงอกถึงกระบังลมถึงท้องหรือไม่ได้ตามลมออกไปจนถึงปลายจมูกถึงข้างนอกเป็นไปไหนมันเปลี่ยนแปลงยังไงมีองค์ประกอบอะ ไ, ไรเราไม่ได้ตามถึงขนาดนั้นเนี่เราอยู่จุดเดียวแต่ภูริชาบอกว่าให้ดํารงสติไว้เฉพาะหน้านีไม่ได้บอกให้ตามลมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นลมเนี่ยเราต้องอยู่เวลาเรารู้ลมเนี่ยลมต้องอยู่รู้ที่เดียวนั้น ล, ลมมันจะเคลื่อนไปไหนก็เรื่องของมันละแต่แต่เรารู้อยู่ที่เดียวนยเนเวลาที่ ยามเนี่ยเขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเนี่ยหน้ามุกหรือว่าป้อมยามเนี่ยเขาไม่ได้ตามรถที่เข้าที่ออกไม่ได้ตามคนที่เข้าที่ออกเขาก็ตรวจดูคุณมีบัตรหรือเปล่าแตนะ่สมัยนี้ยิ่งโหให้เทคมากนะมีเขาเรียกว่าบัตรที่เป็นลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในนะแตะตีแตะติตะตนะยามก็เห็นเลยว่าคนที่เป็นใครดูหน้าตรงกันไหมตรงกันให้ผ่านนั้นะไม่ตรงกากอาไว้นะทําไมทรงผมเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาก็มีการตรวจสอบลักษณะนี้เช่นเดียวกันคนที่ตรวจสอบ นะไม่ได้ไปไหนไกลยอยู่แถวแถวนั้นนั่นแหละนะอยู่บริเวณตรงนั้นนั่นแหละเช่นเดียวกันเรากําลังมารู้ลมหายใจเนี่ยนะตรวจสอบจิตใจของเราเนี่ยเราไม่ได้ตามลมเข้าไม่ได้ตามลมออกนะลมก็เป็นธรรมชาติของมันจิตของเราเนี่ยให้อยู่กับที่นะอยู่กับที่ที่เดียวที่ที่นั้นก็คือตําแหน่งเฉพาะหน้าในภายในตําแหน่งเฉพาะหน้าในภายในก็คือตําแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้การรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจนี้ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่าหายใจธรรมดาหรือว่าหายใจผ่านหลอดหายใจเนี่ยมันก็ได้ทั้งนั้นหายใจทั้งปากหายใจทั้งจมูกก็ได้ทั้งนั้นแหละดัะนั้น้เวลาที่เรามารับรู้ถึงลมหายใจเนี่ยทางเข้าออกของลมหายใจก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะถ้าคนใช้เครื่องช่วยหายใจทางเข้าออกก็ไปอยู่ที่ปากเราก็มากําหนดรู้บริเวณที่เราสามารถรับรู้ถึงการหายใจนั้นได้หรือว่าทุกคนที่หายใจผ่านหลอดใช่ไหมหลอดที่ผ่านเสียบเข้าไปทางจมูกเนี่ยนะ ก, ก็คงจะอยู่ที่ตําแหน่งเดิมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราทําความรู้ในการที่รู้ถึงสัมผัสของลมหายใจตรงนี้แตนะ่ถ้าเรารู้แล้วเราก็เอาจิตของเราไว้นะที่ตําแหน่งเดิมนี้นะให้ทําอย่างเป็นธรรมชาตินะไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงพอจิตเราที่มารู้ถึงลมหายใจอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีความคิดโน้นนั่นนี่อื่นขึ้นมานะเราก็อย่าให้จิตของเราเนี่ยไหลไปตามสิ่งนั้น ให้จิตของเรามาปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไปให้จิตของเรามาอยู่ณนะที่ตำแหน่งเดิมเวลาที่เราจิตของเราพอจะเริ่มสงบลงไปแล้วเนี่ยาจะทำการพิจารณาโดยก็ได้ในะนการพิจารณานีนะ้ก็พิจารณาทุกอย่างที่เรารับรู้นั่นแหละนะคือจิตพอเริ่มสงบแล้วเนี่ยพระเจ้าพูดถึงความที่จิตมันเป็นสมถนะสมถะเนี่ยคือการที่จิตเริ่มมีกาลังละ เวลาที่จิตของเราอยู่นิ่งๆอย่างเดียวไม่ไปไหนเนี่ยจิตนั้นจะเริ่มมีกําลังมีกําลังในที่นี้ก็เปรียบเทียบกับลักษณะของแว่นขยายในที่ทําการรวมแสงในถ้าใครเคยใช้เลนส์ น, นูนหรือแว่นขยายเนี่ยนะรวมแสงที่ผ่านมาทางอาทิตย์แสงอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็ปรับจุดรวมแสงให้ดีในอย่างแว่นขยายที่คนอายุมากหน่อยเขาใช้ในการอ่านหนังสือเนี่ยแว่นใหญ่ ๆ, ๆเนี่ยนะ เราปรับดูแว่นขยายหรือแว่นเลนส์นู น, นให้ดีเนี่ยจุดรวมแสงของเขาสามารถที่จะรวมเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งจุดเล็กๆ เ, เนี่ยจะมีพลังงานของแสงอาทิตย์มากขนาดที่จะสามารถจุดหัวไม่ขีดหรือว่าเผากระดาษได้เลยแต่เช่นเดียวกันถ้าจิตของเรารวมอยู่ณที่เดียวไม่ไปไหนไม่คิดฟุง้งซ่านนั้นนี่แส้ทและจิตของเราเนจะเริ่มมีกําลังอย่างในขณะที่เรามาเริ่มรู้ลมหายใจของเราเนี่ย ตัแต่ต้นรายการมานี่ยเรารู้ไปรู้ไปรู้ปอาจจะมีรั่วบ้างนั่นนี่โน่ น, นบ้างก็ธรรมดาเนี่ยเหมือนสายยางเราต่อสายยางมาเนี่ยสายยางจะรั่วนิดตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยก็ไม่เป็นไรมันก็ยังมีน้ําไหลออกใช่ไหมเราก็ถ้ารู้รู้ว่ามันรั่วตรงไหนเราก็ไปอุดตรงนั้นแต่เนะช่นเดียวกันจิตของเราบางทีอาจจะไปคิดนั่นนี่โน่นบ้างเนี่มันก็กําลังมันก็ลดลงไปนะพอเรารู้ตรงไหนเราก็ปล่อยทราบ ป, ปล่อยสิ่งนั้นสิ่งนี้อุดเอาไว้อุดเอาไว้คือให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่กับ ลมหายใจของเราอย่างเดียวให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมแต่พอเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตของเราจะเริ่มพอที่จะสงบได้บ้างพอที่จะสงบได้บ้างเราอาจจะทําการพิจารณาก็ได้แต่พิจารณาในที่นี้เนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะคือแค่เราเห็นตามที่เป็นจ ร, นจริงเช่นว่าเราเห็นอลมหายใจของเราก็ได้พิจารณาเห็นลมหายใจที่มันผ่านเข้าออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยว่ามันไม่ค่อยเถี่ยง มันไม่เที่ยงยังไงเราลองพิจารณาดูนะคือลมหายใจนี่มันเข้าอย่างเดียวมันไม่มีออกเนี่ยมันไม่ได้นะเราก็ตายนะลองดูสิสูตรทห้ลมหายใจเข้าอย่างเดียวเนี่ยว่ามันไม่ได้มันไม่เหมือนปั๊มอะปั๊มมันวิ่งทางเดียวเนี่ยแต่แต่ร่างกายของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันเข้าแล้วมันต้องหยุดด้วยหยุดแล้วมันต้องออกด้วยนะมันต้องเข้ามันต้องออกสลับกันไปเพราะลมหายใจมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเห็นความจริงในข้อนี้เนี่ยเราก็มา น้องพิจารณาในตัวของร่างกายของเราเองด้วยก็เหมือนกันหน้าร่างกายของเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เอ้มันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยหน้กินอาหารเข้าไปมันก็ถ่ายออกมาหน้ถ่ายออกมามีเหงื่อมีอะไรมันก็เหม็นด้วยเฮ้ยทาไมเป็นอย่างานั้นก็มันเป็นอย่างนั้นนเป็นธรรมชาติของร่างกายของเราหน้าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันมีการเสื่อมโทรมแก่ลงไปทุกวันโตขึ้นมาโตขึ้นก็คือแก่นั่นแหละหน้แก่ Bei окой, เปลี่ยนแปลงไปมันไม่คงที่เลย มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เราคงจะพิจารณาเห็นถึงความเป็นสาระของมันว่ามันไม่ค่อยมีสาระแก่นสารพอที่เราจะเข้าไปยึดถือหรือว่าเห็นว่าเป็นตัวเราของเราได้คืออะไรที่เราควบคุมมันไม่ได้ยไอย่างลงไายใจอย่างเงี้ยเราจะควบคุมมันว่าให้มันเร็วให้ช้ามันก็ได้นิดๆหน่อยๆ อ, อย่างร่างกายของเราเราจะมาแต่งเติมแต่งหน้าแต่งตาให้มันดูดีขึ้นมันก็ได้นิดๆหน่อยๆชั่วที่ สารนั้นหรือสิ่งนั้นมันยังออกฤทธิ์อยู่ตอนนั้นเองในอย่างเรากินข้าวอย่างเงี้ยเพื่อให้ร่างกายมันโตขึ้นใช่ไหมโตขึ้นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นใช่ไหมกินเข้าไปสิกินแบบเดิมอลองดูนะพอมันโตขึ้นถึงจุดหนึ่งมันไม่โตให้เราแล้วในอย่างเด็กเนี่ยพอโตถึงอายุ20 21แล้วก็เลิกโตแล้วะต่มีแต่แก่ขึ้นเนี่ยเราหาอะไรดีๆยาอะไรดีๆมาใส่มันก็ช่วยเวลาที่ยานั้นออกฤทธิ์ตอนนั้นเองแต่มันก็จะมีจุดที่มันออกฤทธิ์ไม่ได้แล้วอย่างยา เพิ่มความดันของหมอเขาใช้อย่างเงี้ยเนีก็ใช้เพิ่มความดันให้คนไข้ที่ความดันมันลดลดลดจนกระทั่งมันเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะยามันมันไม่ออกผลแล้วไม่ส่งผลแล้วไม่ใช่ว่ายานั้นไม่มีผลนะมันก็ยังใช้คนอื่นได้ผลอยู่เอ๊แต่ทําไมคนนี้มันไม่ได้ผลอะก็เพราะว่าร่างกายมันไม่ตอบสนองแล้วท่านผู้ฟังมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะใช้ได้จนถึงจุดที่มันจะไม่ได้ผลตัวนึงก็เป็นธรรมดาต้องมีวันนั้นแต่ไม่งั้นก็จะไม่มีคนตายก็คนตายมีทุกวัน ไปตามโรงพยาบาลไหนก็มีทั้งนั้นทุกวันเช้ามีกลางวันมีเย็นมีโรงพยาบาลใหญ่ใหญ่มีเป็นหลายๆ10ิบคนด้วยซ้ําเพราะนั้นเวลาเรามาพิจารณาดูเห็นว่าความไม่เที่ยงในร่างกายของเราเนี่ยมันมีอยู่นี่ยไม่เชื่อมันไม่มีมันซ่อนรูปอยู่ตัวนึงเนี่ยความเปลี่ยนแปลงซ่อนรูปอยู่ในลมหายใจของเรานี่แหละซ่อนอยู่เข้าออกเข้าออกเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนจากอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจากอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งโดยที่เราควบคุมไม่ได้ อย่างลมหายใจเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะควบคุมให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็ยังเป็นไปตามระบบของมันได้นะเร็วบ้างช้าบ้างหัวใจละ่ะหัวใจเราลองดูสิเราไปคุมมันทำไมมันเต้นช้าเต้นเร็วมันคุมไม่ได้นะคนจะตายเลยบอกไอ้หัวใจเต้นหน่อยสิมันไม่เต้นให้เอาเครื่องเข้าไปกระตุ้นเอาไฟฟ้าจี้เข้าไปมันยังไม่เต้นให้เลยเพรา ะ, ะนั้นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นของเราหรือเปล่าตามดูตามใจเราดูอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ ที่เราไม่สามารถไปปรับแต่งมันได้เต็มที่ร้อย์มันเป็นของคุณหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่เลยเเราอาจจะควบคุมได้บ้างนิดๆหน่อยๆแขนขาเราขยับได้แต่แตอนมันปวนขยับได้ไหมล่ะปวดจงกระทั่งว่าขยับไม่ได้ก็มีนะถึงเวลานั้นมันขยับไม่ได้เลยถา้าวันแล้วคุณก็ควบคุมมันไม่ได้คุณอยากจะขยับแต่ก็ควบคุมมันไม่ได้มันก็จะมีจุดที่เราควบคุมไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันยังมีจุดที่เราควบคุมไม่ได้ มันจะเป็นลมหายใจตัวของเรากายของเราหัวใจของเรากล้ามเนื้อร่างกายอะไรต่างๆมันจะมีบางจุดบางโอกาสที่เราควบคุมเหมือนไม่ได้นั่นแหละเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าเออมันมีความที่มันไม่ใช่ของเราอยู่นะอะไรที่มันมีความไม่ใช่ของเราแอบแฝงอยู่เนี่ยอันนั้นแหละคือเราจะควรจะเห็นว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นตัวเรานไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เราจะเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราน่ยได้จิตเราต้องเป็นสมาธิอย่างนี้จิตเราจะเป็นสมาธิได้เราก็ต้องมารู้ลมหายใจคอยสังเกตลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆคอยสังเกตเห็นความไม่เที่ยงเห็นสิ่งต่างๆเช่นใบไม้ร่วงอย่างนี้เราก็เห็นว่าเออใบไม้ร่วงมันก็แสดงถึงความไม่เที่ยงนะบางทีใบอ่อนร่วงก็มีใบแก่ร่วงก็มีร่วงไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นปุ๋ยเป็นอะไร แล้วมันกร็ดูขึ้นใบใหม่กลายเป็นใบใหม่หมออกมาอีกมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้นํามากบ้างน้อยบ้างในระบบใหญ่บ้างในระบบเล็กบ้างร่างกายของเราเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเอาแค่พิจารณาเห็นลมหายใจที่เรามาระลึกรู้อยู่อย่างเป็นประจาอย่างนี้แต่ลองมาดูจุดสัมผัสดูสิจุดสัมผัสนี้บางทีมันก็แผ่วเบาลงไปบ้างบางทีมันก็ถ้าเราหายใจแรงๆมันก็รู้สึกมากขึ้นมาบ้างแต่หายใจเบาๆบางทีลมหายใจเบาไปเนี่ย ใหุ้สัมพัสน right ี้ก็น right ้อยลงบ่บ้างในการทํางานของเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มาสัมผัสแต่สิ่งที่มาสัมผัสก็เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นเองเพราะนั้นอะไรที่มันสร้างอยู่บนความไม่เที่ยงเนี่ยมันจึงไม่มีอะไรเที่ยงอะไรที่สร้างอยู่บนความไม่เที่ยงเช่นความรู้สึกต่างๆในร่างกายอย่างเงี้ยปวดก็มีเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มี บางคนนั่งมาสักพักหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกตามแขนขาไหลเอวหลังบ้างความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ตามตัวเราดูนว่ามันอาศัยอะไรเกิดขึ้นมันก็อาศัยกายนี้นั่นเองเกิดขึ้นอาศัยกายนี้จึงเกิดขึ้นก็ถามดูซิว่ากายนี้มันเที่ยงไหมกายนี้มันเที่ยงหรือเปล่าเราจะรู้ว่ากายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเป็นของที่ปรุงแต่งได้ปรุงแต่งได้ยังไง ก็ปรุงแต่งไปตามอาหารปรุงแต่งไปตามอากาศปรุงแต่งไปตามสิ่งแวดล้อมที่มากระทบและปรุงแต่งไปตามกิจกรรมของร่างกายดูอย่างฝาแฝดเกิดมาด้วยกันกินอาหารเหมือนกันนะคนหนึ่งออกกําลังกายคนหนึ่งไม่ออกกําลังกายแต่คนหนึ่งไปอยู่ประเทศหนึ่งคนหนึ่งอยู่ประเทศหนึ่งมันก็มีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นร่างกายเป็นของปรุงแต่งได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นของที่ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะนั้นอะไรที่มันอาศัยของที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้น ลองพิจารณาดูมันจะเที่ยงได้ไหมอะไรที่ อ, อาศัยของที่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเที่ยงมาแต่ที่ไหนเล่าแต่เราพิจารณาดูอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าไอเราจะค้นพบว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยที่อาศัยกายที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่เพราะนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายของเราที่อาศัยกายที่ไม่เที่ยงเนี่ยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วเนี่ยเราเห็นตามความที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ย ก็ไม่มีสาระอะไรที่เราจะยึดถือว่านี่เป็นของเรานั่เราเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้นัก็ดีแล้วนั่เราก็ค่อยๆปล่อยวางเข้าไปาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมดาร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาถึงวันหนึ่งมันก็แตกไปตามกาลเวลานะฮะสาระแกนสารอะไรไม่ได้จิตใจของเราที่มารับรู้ข้อมูลนี้แล้วก็ทําอย่างวางอย่างเป็นกลา ง, ลางอย่าให้มีความดีใจอย่าให้มีความเสียใจอย่าให้มีความเศร้าโศก แต่ให้วางอย่างเป็นกลางๆเมื่อเรารู้ลมหายใจอยู่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้วางเป็นกลางได้นั่นนี่แหละคือเรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงละนังสมาธิไม่ได้ว่าต้องเห็นสวรรค์นรกอดีอนาคตอะไรแต่ให้เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้เห็นลมหายใจนี่แหละจะสามารถเห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติอยู่อย่างต่อเนื่องนี่แหละทำไม่เราเห็นตามที่เป็นจริงได้พอเราเห็นอยู่อย่างนี้เราค่อยๆทําความรู้สึกในร่างกายของเรา เรนะรู้ว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนระลึกถึงสิ่งต่างๆในร่างกายบ้างนะหายใจลึกๆสัก2อสมครั้งนะถลับตาอยู่ก็ลืมตาขึ้นนะพร้อมที่จะทํากิตการงานในหน้าที่ของเราต่อไปนะเวลาที่เราพอลืมตาขึ้นรู้สึกตัวขึ้นแล้วเนี่ยก็หายใจลึกๆสัก2อาครั้งเนะตรียมพร้อมที่จะลุยงานต่อไปนะสติของเราคงอยู่เหมือนเดิมได้นะสติของเราเรามารู้อยู่กับลมหายใจอ่อนๆอยู่อย่างต่อเ น, นื่องต่อไปมันจะได้ไม่ปวดหัวให้มีความสบายในใจ และในรายการธรรมารัปรุณในวันนี้นเวลาก็มีเท่านี้แหละนะข้าพเจ้าพระไพบูุญจากวัดป่าดอนไฮโซก็มาพบขอพ้นฟังในวันนี้และพรุ่งนี้ก็ค่อยพบกันในเรื่องของการตอบคําถามนะวันนี้ในรายการธรรมารบรุณกับพเจ้ า, ราพระไพบุญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริงพาน